สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระวันนี้นี่ใกล้วันที่คนไทยเชื้อสายจีนหรือชาวจีนได้เริ่มเริ่ ม, มที่จะทําขนมกันแล้วละ่ะที่พูดนี้ก็คือขนมบัตจ่างเออวันที่7คือวันศุกร์นี้ก็คงจะตรงกับเทศกาลไหว้บัตจางัง ของแต่ละปีนี่จะไม่ตรงกันเนื่องจากว่าเขาใช้วันที่เป็นปฏิทินทางจันทรคติซึ่งก็ตรงกับวันที่5เดือน5ของชาวจีนเทศกาลไหวขนมจางขนมบัตรจางนั้นเนี่ยอาจจะมีชื่อเรียกกันหลายชื่อนะครับเช่น ตวนอู่เจียอะไรผมเอง ก, ก็ออกเสียงไม่ค่อยจะชัดแล้วก็เป็นเรื่องของชาวจีนแต่จิ๋วที่เป็นโง่เวทโจอยลักษณะของการที่เรามีเทศกาลไหวขนมบัตรจังกันขึ้นมานั้นเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าคนจีนนี่เป็นเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายอย่างของคนจีนนั้นเนี่ย สะท้อนออกมาด้วยเรื่องของคุณธรรมประการหนึ่งคือเรื่องของความกตัญญูรู้คุณขนมหลายอย่างก็เกิดขึ้นมาด้วยความกตัญญูรู้คุณจะเป็นด้วยการเอาผลไปชนเหตุหรือเปล่าไม่แน่ใจคือทํามาแล้วแล้วก่อหาลูกเล่นลูกหาา้าลูกเล่นลูกห้ามาเพื่อที่จะเข้ามาทําให้เรื่องนั้นมันมีความน่าสนใจก็อาจจะเป็นไปได้เช่นขนม มาต้องโกก็เป็นเรื่องของการาคิดถึงรำลึกถึงนายทหารเรื่องของขนมไหว้พระจันทร์ก็เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้ต่อสู้กับชาวมองโกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมาถึงเทศกาลไหว้บัตรจังทำไมจะต้องมาไหว้บัตรจังตามตำนานนั้นบอกว่าเป็นวันที่ระลึกถึง ภาษาจีนเต้จิ๋วออกเสียงท่านนี้ว่าขุกงวนภาษาจีนกลางออกเสียงว่าชีหยวนจูหยวนอะไรก็ประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีอายุตั้งแต่340ถึง278ปีก่อนคริสต์ศักราชขุกงวนหรือชีหยวนเนี่ยเป็นกวีผู้รักชาติแห่งรัชชูซึ่งมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของชาวจีนมาก เนื่องจากว่าในประเทศจีนบริเวณแม่น้ำฉางเจียงหรือที่คนไทยรู้จักก็คือแม่น้ำแยงสีเกียงนี่แหละแถบฮ่องกงแถบไต้หวันมาเกา๊าในวันที่5เดือน5ก็มีการละเล่นแข่งเรือมังกรจัดอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนอกจากนี้ทางรัฐบาลจีนก็ยังกำหนดให้วันขึ้น5้ค่ำเดือน5นี้เป็นวันกวีจีนอีกด้วยเนื่องจากว่าชีหยวนเนี่ยเป็น ผู้หนึ่งที่เป็นกวีคนสำคัญของประเทศจีนตามตำนานนั้นเล่ากันมาอย่างนี้ว่าช <c oughs> ี่หยวนเป็นขุนนางที่มีความซื่อสัตย์ยึดถือคุณธรรมกล้าพูดกล้าทำชอบช่วยเหลือชาวบ้านแต่ในเวลาต่อมานั้นถูกเหล่าขุนนางกังฉินกังฉินก็พวกตัวร้ายนั่นแหละพวกเอ่อที่ชอบราดบางังหลวงบางอะไรบ้างขุนนางฝ่ายที่ไม่ดีประมาณอย่างนั้นก็ ชีหยวนก็ถูกขุนนางกลงฉินกลั่นแกล้งจนถูกปลดออกจากตำแหน่งมิหนำซ้ำยังถูกเนรเทศออกจากแขว้นชูไปอีกด้วยดังนั้นรัชฉินซึ่งก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐฉูนั้นก็ถือโอกาสเข้ามาโจมตีรัฐฉูจนล่มสลายชีหยวนซึ่งมีใจรักชาติแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยไปกระโดดลงแม่น้ำเปาะลอกกลง บางตำราก็บอกว่าเป็นแม่น้ำยางสีเกียงซึ่งก็คนละแม่น้ำกันวันที่ชีหยวนได้ไปกระโดดน้ำตายนั้นเนี่ยตรงกับวันขึ้นหค่ำเดือน 5, 5. ้านั่นเองชาวบ้านที่รู้เรื่องการตายของชีหยวนก็ระลึกถึงคุณงามความดีของชีหยวนจึงได้ออกเรือเพื่อที่จะไปตามหาศพ แต่อนิจจากขนาดที่เขาไปตามหานั้นมันก็ไม่เจอแหละก็เลยเอาข้าวปลาอาหารที่เตรียมไว้เนี่ยไปโปรยลงแม่น้ำเหตุที่ไปโปรยลงแม่น้ำนั้นก็เพื่อที่จะล่อให้สัตว์น้ำมากินอาหารนี้จะได้ไม่ไปกัดกินซากศพของชีหวนเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นทุกปีวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งก็เป็นวันครบรอบวันตายของชีหยวนนั่นเองชาวบ้านก็นําอาหารไปโปรยลงแม่น้ำทำมาได้สองปีชาวบ้านผู้หนึ่งก็ฝันเห็นชีหยวนมาในชุดที่สวยงามมาขอบคุณชาวบ้านที่เอาอาหารไปโปรยเพื่อเส้นไหว้แต่เขาบอกว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยมันโดนสัตว์น้ำกินเสียหมดเลยเพราะว่าบริเวณ น, นั้นมีสัตว์น้าอาศัยอยู่มากมายชีหยวนแนะนาว่าเอางี้แล้วกันเอาอาหารเหล่านั้นเนี่ย ห่อด้วยใบไผ่หรือใบจากก็แล้วแต่เนี่ยนะก่อนนำไปโยนลงน้ำเพราะฉะนั้นในปีต่อมาวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้าชาวบ้านก็มาทาตามที่ชียวนแนะนำเวลาต่อมาชียวนก็มาเข้าฝันชาวบ้านอีกว่าก็ได้กินมากน้อยแต่ก็ยังคงโดนสัตว์น้ามันแย่งไปกินจนได้ชาวบ้านก็ถามว่าเอา อยากจะได้ให้ชีห y u a ได้กินอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญเนี่ยจะต้องทำยังไงชีหย u a n ก็แนะนำว่าเอางี้นะเวลาจะนำอาหารไปโยนลงแม่น้ำให้ตกแต่งเรือเป็นรูปมังกรถามว่าทำไมต้องตกแต่งเรือเป็นรูปมังกรเขาเพราะว่าสัตว์น้ำทั้งหลายพอเห็นคนโยน อาหารซึ่งนั่งในเรือมังกรเนี่ยนแล้วโยนลงไปในน้ำสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาก็จะได้นึกว่าอ๋อนี่เป็นเครื่องเส้นของพญามังกรจะได้ไม่กล้าเข้ามากินดังนั้นประเพณีการแข่งเรือมังกรกับประเพณีการไหวขนมบัตรจังมันจึงเกิดขึ้นมาด้วยประการละนี้อันนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าสื บ, ส, บสืบกันมาในแง่มุมหนึ่ง ขณะที่นักวิชาการบางคนบอกว่าหม า, หมายถึงคนชาวจีนเนี่ยนะบอกว่าไม่ใช่หรอกเทศกาลไหว้บัาจจังมีที่มาจากตำนานวันที่ไม่เป็นมงคลจากบันทึกในตำราโบราณบอกว่าชาวบ้านบอกว่าอย่าไปกล่าวถึงเดือน5ถามว่าทำไมอันนี้ก็สุด สุดจะค้นคว้ามาว่าทาไมไม่พูดถึงเดือนห้ามันน่า จ, จะเป็นเดือนที่คนจีนเรียกแบบมันเป็นเดือนเดือนแตกหักประมาณอย่างนั้นว่าอาจจะเป็นเลขหด้วยลําังซึ่งไ ม, ไม่ใช่เลขคู่และแล้วก็คนจีนสมัยก่อนก็จะไม่เลี้ยงเด็กที่เกิดในเดือนหาด้วยถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเดือน5เป็นเดือนไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาในเดือน5ก็ไม่เป็นมงคล ดังนั้นเนี่ยในการในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายของคนจีนสมัยโบราณก็จะเอาหญ้าสองชนิดเป็นสมุนไพรชื่อไอ้เฮากับชางผูมาแขวนไว้ที่ประตูเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายดูน่าจะเชื่อถือได้ว่า ขับร้าสิ่งขับไล่สิ่ ง, งชั่วร้ายไม่น่าจะเป็นเรื่องของการดูดดีไม่ดีอะไรมีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าท่านที่อยากจะไหวบะจ่างนั้นเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าบะจ่างเนี่ยบะหรือบะที่ว่าเนี่ยนเะนื่องจากเสียงเวลามันมันสองสามพยางภาษาจีนก็มีการเลื่อนระดับของเสียงด้วยบะบะที่ว่านี้แปลว่าเนื้อ ถ้าเราพูดว่าขนมจังอย่างเดียวเนี่ยอาจจะหมายถึงขนมบ้านจังก็คือขนมที่ใช้ข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็มีเนื้อหมูมีอาจจะมีไส้กรอกที่เรียกว่าเป็นกุนเชียงหรืออะไรอย่างนั้นใส่เข้าไปอยู่ในนั้นเป็นของข้าวใช้ไหวเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยได้ แต่ไม่สามารถที่จะไปบ้านไหนที่ท่านตั้งออว่ว้เจ้าแม่กวนอิมหรือวหวยพระพุทธอะไรแบบจีนเนี่ยนะครับก็ไม่นิยมที่จะเอาบะจังไปไหวแต่จะไหวเป็นขนมกีจังกีจังถ้าเผื่อไปแถวเยาวราชหรือในวันที่ไหวบะจังก็ <ๆ S 1> ขายคู่กันเป็นขนมจังใบออขนาดเล็กลงมาหน่อยหนึ่ง เปลือกนอกสีเขียวๆ เ, เป็นใบไผ่สดขณะที่บัต จ, จังนั้นเป็นใบไผ่แห้งกีจังนั้นเป็นเป็นข้าวเหนียวซึ่งก็ผสมน้ำด่างน้ำอะไรแล้วก็ลงไปต้มกรรมวิธีคล้ายๆกันแล้วก็เวลาจะกินก็แกะเปลือกออกมาแล้วก็จิ้มกับน้ำตาลจิ้มกับนมจิ้มกับน้ำพึ่งอะไรก็สุดแท้แต่ไปอันนี้ก็แนะนาว่าถ้าจะไหว ควรจะไหว้ด้วยทูบสามดอกห้าดอกจะไหว้ทูบห้าดอกนั้นเนี่ยตามธรรมเนียมจีนนั้นบอกว่ารำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับหลัก5้าธาตุของคนจีนที่เรียกว่าโงูเหงด้วยคือธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้แล้วก็ธาตุไฟซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธี ชีวิตของคนโดยทั่วไปอันนี้ก็แนะนํำคร่าวๆท่านที่จะไหว้บัตรจังจะไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้ก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวนี้ราคาบัตรจังก็ไม่ใช่ถูกๆแล้วลูกหนึ่งก็หลาย10 บ, บาทเอาเป็นว่าไหว้บัตรจังเท่าไรก็ทําให้เรานึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษเอาไว้แค่นี้ก็น่าจะเอาไว้เป็นสิ่งเตือนใจได้เดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อกับรายการ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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ บ, บรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม02 592 1933สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ บ, บรุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University เมื่อสักครู่นี้พูดกันถึงเรื่องเทศกาลการไหวขนมบัตรจังของคนจีนแล้วก็ขออนุญาตย้อนกลับไป เ, ออเมื่อสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาละครทางช่องสเรื่องกรงกรรมก็ได้อาวสารลงไปในว่าจะเป็นภาคที่หนึ่งจะมีภาคที่สองต่อหรือไม่อย่างไรคงต้องติดตามชม ต่อไในเรื่องกรงกรรมเนี่ยฉากทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นแนวแนววิถีแบบชาวจีนเพราะว่าย้อยซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องนี่ก็แต่งงานมาอยู่กับครอบครัวของชาวจีนการนับญาติของชาวจีนที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเนี่ยนะเช่นการเรียกชื่อลูกด้วยคําว่าอาขึ้นต้นเนี่ยนะอัดใช้อัด ตรงอาสาอาสีเนี่ยคำอาเนี่ยไม่ไม่ใช่อในภาษาไทยซึ่งหมายถึงน้องชายของพ่อแต่อหมายถึงแม้ไม่รู้จะพูดเปรียบเทียบกับไทยได้ยังไงเป็นคำนำหน้านามบางนั้นเอะจะแทนด้วยอะไรก็แล้วแต่ละอาจใช้อาตรงอะไรเงี้ยก็คือเจ้าใช้เจ้าตรงคุณใช้คุณตรงไอ้ใช้ไอ้ตรงอะไรก็สุดแท้แต่ที่จะเรียกกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของคา เรียกขานของเขามาถึงคำว่าอโอสังเกตว่ามีการเรียกว่าอสอสซส อ, อ, อนี่ใช้เรียกใช้เรียกสัไพหมายถึงว่าเรียกพี่สไพสขณะเดียวกันเนี่ยสไพสกับสไพก็มักจะเรียกกันเป็นซอเป็นซอกันเหมือนกันสอก็คือเมียของไอเหียอเหียก็คือพี่ชายนี่แหละ สังเกตว่ามีฉากที่ที่แม่ย้อยเนี่ยได้ได้ฆ่าอาม่าตายที่ในเรื่องนั้นเรียกอาม่าอาม่าอาม่านี่แปลว่าย่าก็ได้แปลว่ายายก็ได้ในเรื่องนั้นเนี่ยแม่ย้อยไม่ได้ฆ่าย่าหรือยายของตัวเองแต่เหตุจะไหน ไม่ย้อยถึงเรียกว่าอมาม่าธรมเนียมจีนเต้จิ๋วนั้นเนี่ยแม่เรียก เ, เรียกแม่สามีว่าอาม่าตามลูกของตัวเองพูดอย่างนี้อาจจะงง ง, งลูกสะพ้ยให้เรียกแม่สามีว่าอาม่าเหมือนที่ลูกของตัวเองเรียกก็คือเรียกว่าย่าเรียกว่ายาย อันนี้เป็นจุดที่บางคนดูแล้วก็งงๆว่าเอา้าแม่ย้อยทำไมถึงไปฆ่าย่าหรือยายของตัวเองไม่ใช่อันนี้เรียกแม่สามีแม่ผัวนั่นแหละกเเ็เป็นเรื่องของการเรียกขานของเรื่องนี้ <c oughs> มีคำที่อาม่าในเรื่องนั้นใช้ด่าแม่ย้อยจุดที่ทำให้แม่ย้อยถึงขนาดฟิวขาดก็ฉากนั้นแหละ เป็นฉากที่อาม่าน่าจะเป็นอาม่าที่วัยแก่มากแล้วก็คงจะหลงหลงลืมลืมเลืล่อเลือนเลือนการสั่งสมความเจ็บความแค้นของอาม่าจะเป็นไปได้ว่าไม่ใคร่จะยอมรับแม่ย้อยตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นไปได้ว่า แม่ย้อยไม่ได้มาจากครอบครัวชาวจีนแม่ย้อยไม่ได้ทํามาค้าขายเป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจึงทำให้อาม่าไม่ใคร่จะพอใจแม่ย้อยสักเท่าใดคำที่อาม่าบริภาดแม่ย้อยไปคือคำที่มันซ้ำๆๆแนวเรื่องกันว่าชาวลกชาวจ่าโบเนี่ยนะ เข้าใจอย่างนี้ว่าคานี้เป็นภาษาแต่จิ๋วอยู่แล้วล่ะเพราะว่าในเรื่องนี้นี่ตัวละครน่าจะอยู่ในแวดวงวัฒนธรรมชาวจีนแต้จิ๋วคำว่าเฉาลกก่อนละกันคำว่าเฉาคำว่าเฉาเนี่ยแปลว่าเหม็นคำว่าลกคานี้เราสันนิษฐานไว้หลายประการขออภัยนะครับถ้าหากว่าต้องพูดในแง่ของภาษาไม่ได้พูดในแง่ของคาหยาบคายอะไรคาว่าลกเนี่ย คนจีนว่าหลกท่งคำว่าหลกท่งเราเข้าใจเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคนไทยเอาคำว่าดอกทองมาจากคาว่าหลกท่งหรือประเด็นที่สองหลกท่งคนจีนเอามาจากภาษาไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ใครรับใครก็ไม่รู้เช้าลกในเรื่องนี้จึงแปลว่าผู้หญิงที่ไม่ดีที่เหม็นเฉาโชประมาณอย่างนั้น มาถึงอีกคำหนึ่งคือเฉาจาโบ่จ่าโบ่แปลว่าผู้หญิงเฉาจาโบ่แปลว่าผู้หญิงเหม็นโชความจริงแล้ว เ, เวลาคนจีนแต่จิ๋วด่าว่าเฉาจาโบ่เฉาจ่าโบ่เนี่ยหมายถึงโสเพณีคือผู้หญิงที่ไม่ดีก็เลยเรียกกันอย่างนั้นเป็นแค่คําด่าเท่านั้นแม่ย้อยก็ไม่ได้มีอาชีพเป็นโสเพณีแต่ประการใดมีคําหนึ่งซึ่ง ในเรื่องไม่ได้ใช้ก็คือคําว่าหยําชาหยำชายำชาเนี่ยนะคนไทยเราใช้กันมานานละในสมัยก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นก็อย่าไปคบเลยเป็นผู้หญิงยําชาผู้หญิงยําชาแปลว่าหญิงขายบริการโจเปนีนั่นแหละเป็นหญิงบริการในโรงน้ําชาคํานี้นี่มันน่าจะมาจากภาษากวางตุ้ง เวลาเข า, เาผู้ชายเดินผ่านไปผ่านมาที่หน้าหน้าโรงน้ําชาซึ่งก็คือซ่องโสเพณีนั่นแหละจากกวางตุ้งก็จะเรียกว่ายำชายำชาเขาเอาน่าจะมีคําว่าหยำชาชอ้อก็คือเชิญมาดื่มน้ําชากันเถิดอันนี้เป็นแบบกวางตุง้งคน ท, ทั่วไปก็เลยเข้าใจว่าคําว่าย้ําชาย้ําชานั้น เลยเถิดไปถึงว่าเป็นหญิงสโสเพณีความจริงแล้วก็เป็นคำว่ายาชาแปลว่าดื่มน้ำชาส่วนจะเติมคำว่าเชิญ เ, เข้าไปตามสำเนียงกวางตุ้งว่ายาชาชออะไร ก, ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของภาษาซึ่งปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นในเรื่อง กรงกรรมก็ยังมีบทสะท้อนของความเป็นชาวจีนอยู่เช่นเรื่องของการดื่มน้ําชาสังเกตไหมว่าในเรื่องเนี่ยมีการดื่มน้ําชาค่อนข้างจะตลอดเวลาคําถามคือแล้วดื่มน้ําชาแล้วมันไม่มันไม่ทําให้ตาค้างตาแข็งหรือคนจีนเขาก็ดื่มอย่างนั้นอยู่แล้วอากาศเมืองไทยจะร้อนจะหนาวจะอะไรไม่รู้คนจีนก็ดื่มชา การที่ดื่มชาของชาวจีนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการดื่มเพื่อที่จะล้างไขมันซะอย่างนั้นมากกว่าเขาคงจะไม่ได้มีเจตนาที่จะที่จะดื่มชาเพื่อให้มันให้มันรู้สึกว่ามีพละกําลังแข็งแรงตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาน่าจะเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาคนที่ ดื่มชาแท้ๆของคนจีนนั้นก็จะดื่มกันเป็นวันๆเลยเป็นทั้งวันนั่นแหละก็ตั้งกาต้มน้ํำมาไว้เป็นมีกาต้มน้ําเล็กๆแล้วก็มีต้านชามีกาหน้ําชามีถ้วยน้ําชาไว้ต้อนต้อนรับแขกอันนี้เป็นเรื่องของธรรมเนียมนิยมสังเกตรเรื่องของการรับประทานอาหารแบบชาวจีน ความจริงแล้วในเรื่องกรงกรรมก็ให้บังเอิญว่าแม่ย้อยไม่มีลูกสาวการไม่มีลูกสาวนั้นจึงทำให้เราไม่ค่อยเห็นภาพไม่ความอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าแม่ย้อยมีลูกสาวเราก็คงจะเห็นอีกภาพหนึ่งก็คือภาพของอลูกสาวจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งโต๊ะอาหารจนกว่าจะอายุ15ปี15ปีคนจีนนี่เท่ากับคนไทยอายุ14 14-15% ของคนสมัยก่อนก็ถือว่าโตแล้วถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นวัยสาววัยหนุ่มประมาณอย่างนี้แล้วก็จะมีพิธีที่เรียกว่าพิธีแปลตรงตัวว่าพิธีออกสวนดอกไม้อันนี้เป็นภาษาของชาวจีนแต่จิวว่าชุกหวยหึงห้งชุกหวยฮึงหรือการออกสวนดอกไม้นั้นนี่ คือสมมุติเอาเองว่าเด็กยังร่าเริงสดใสอยู่ในสวนดอกไม้อายุ 14-15 แล้วก็ต้องออกไปแล้วเพื่อเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเธอโตแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนี่คือเรื่องราวของ ของอการรับประทานอาหารบางเอิญเราไม่เห็นในเรื่องถ้าเห็นก็อาจจะต้องตั้งคำถามว่าเอา้าทำไมลูกสาวถึงไม่ได้รับอนุญาตก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้แหละความจริงแล้วถ้าเป็นจีนโบราณจริงๆแล้วเนี่ยนะลูกสะพ้ายก็ยังไม่ได้กินจะต้องให้แม่สามีให้สามีให้ลูกชายกินก่อน แล้วลูกสะพ้ายลูกสาวนี่จะตามมากินทีหลังอันนี้ว่ากันโดยเรื่องของธรรมเนียมนิยมของชาวจีนในการรับประทานอาหารเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาคุยกันว่าด้วยเรื่องจีนจีนต่อสักครู่เดียวครับรายการเพลินภาษานาน า, นาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคล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 เองผ่านสายลมฝากแสงดาวมาส่งให้เธออา จ, จอยู่ในเสียงเพลงรักเก่าซึ่งใจใดเสมอความคิดถึงกำลังส่งตรงไปหาเธอจากหัวใจที่เฝ้าคอยเธออยู่ตรงนี้ เวลาที่เราต่างคนต่างไกลกันร้างนั้นยังผูกพันไว้ข้างกายอาจมีนาทีที่เราใจตรงกันมาท้องฟ้าทะเลจะมีมาควางกันแต่คงไม่หยุดความคิดที่มีเธอความคิดถึงไม่ต้องพึง เพียงแค่าสายลมนผ่านคิดใจฉันมันเรียกหาเธอความคิดถึงมองไม่เห็นตื่อยู่รอบรอบตัวเธอหลับไปแล้วก็ยังเจอความคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงเธอเลอกน คืนที่แสงดาวร้อยพันถ้าเทียบกับใจฉันความคิดถึงมันเกินกว่าเอาเพ่นฟ้ากันจะเหมือนลมที่หายใจเขาออกเคียงเธอเวลาที่เราต่างคนต่างไกลกัน ตรงกันมาทองฟ้าทะแลจะมีมาความกันแต่คงไม่หยุดความคิดที่มีเธอความคิดถึงไม่ต้องพึง่งปติหารเพียงแค่สายลมพานคิดใจฉันมัเริคหาเธอความคิดถึง ไปแล้วก็ยังเจอความคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงเธอเหลือกัน คิดถึงไม่ต้องพึ่งบตัตริฮันเพียงแค่าสายลมพัดคิอใจฉันมารีคาเธอความคิดถึงมองไม่เห็นตื่อยู่รบอบๆตัวเธอหลับไปแล้วก็ยังเจง้ความคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึง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 r m u t moving towards innovative university คุยกันไปเรื่อยเริ่มตั้งแต่บัตรจางแล้วก็ไปออกเรื่องกรงกรรมันก็เลยได้ความาคิดที่ว่าเ้าไหนๆก็พูดเรื่องจีนแล้วลองให้ความรู้เรื่องคำจีนซึ่งคนไทยเขาใช้กันมาแล้วกันมีคำที่พอจะเอามาแบ่งปันคือคำว่ากรงเต็ก ตอนที่สามีของย้อยได้เสียชีวิตไปนั้นเนี่ยไม่เห็นพิธีทำกงเตกเกือบเกือบจะเห็นแต่ก็ก็ไม่ได้เห็นันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอความเชื่อว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้กงเตกนี่ถ้าจะทำเนี่ยเป็นการทำบุญให้ผู้ตายตามพิธีของพระจีน ความจริงแล้วพระยวนก็มีนะครับถ้าหากว่าสังเกตว่าออพิธีคงเตกมี2แบบคือมีแบบจีนกับแบบยวนแต่ส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับแบบจีนมากกว่าจะทำเมื่ อ, อ, อคนตายนั้นตายไปครบ7วัน21วัน35วัน50วันและก็100วันรวม5ครั้งอันนี้คือทำแบบเต็มรูปแบบ <c oughs> มีการสวด เผากระดาษที่เป็นรูปต่างๆมีบ้านมีคนรับใช้แต่คนรับใช้ถ้าเผื่อว่าใครไปงานกรงเตกของออพิธีสวสดศพแบบชาวจีนก็จะเห็นมีคนรับใช้อยู่อยู่สองคนแม้จะเรียกว่าคนก็ไม่ค่อยจะสนิทปากเท่าไหร่อาจจะต้องเรียกว่า2ตนดีกว่าไหมเพราะเป็นเป็นกระดาษที่ทําเหมือนเป็นหุ่นกันขึ้นมาเป็นหุ่นรับใช้ขึ้นมาเป็นชายหนึ่ง หญิงหนึ่งก็มักจะตั้งชื่อด้วยนะครับเวลานั้นจะตั้งชื่อจะ ต, ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แต่ก็นิยมที่จะตั้งว่าออผู้ชายเนี่ยจะตั้งชื่อเป็นว่าเจ้ารู้จักทางอันนี้แปลแล้วนะครับผู้หญิงก็เป็นชื่อว่าเจ้าเชื่อฟังทําไมถึงได้ตั้งชื่อแบบนี้คือผู้ชายจะตั้งชื่อว่าปักเหล่า ผู้หญิงจะตั้งชื่อว่าเทียตาแปลอย่างแปลอย่างที่แปลเนี่ยนะครับก็เพราะว่าผู้ชายจะพาผู้ตายหมายถึงหุ่นนั้นน่ะ น, นะจะพาผู้ตายไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ผู้หญิงก็ก่อนที่เราจะเราจะเผาเราใจเราก็ไปดึงหูผู้หญิงด้วยบอกว่าเทียตาจะต้องฟังามาอากงงแแมะอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละด้วยนะอย่าดื้อย่าสนนะ ตามความเชื่อนั้นก็เชื่อว่าคนรับใช้ทั้งสองคนนั้นเนี่ยจะอยู่กับกับวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยอยู่แค่สักระยะเดียวนะครับไม่ได้อยู่ด้วยตลอดชีวิตขนาดนั้นในการเผากระดาษนั้นก็จะมีการเผากระดาษอื่นเช่นที่ทำเป็นเสื้อผ้าเป็นกระดาษเงินกระดาษทองเดี๋ยวนี้ก็วิวัฒนาการมากขนาดเผา iPad iPhone เผากระทั่งพั ปอดเผาอะไรต่ออะไรก็เผากันไปเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตสุดแท้แต่ความเชื่อของแต่ละบ้านและกันเวลาเขาสวดกงเตกเนี่ยแบ่งเป็นพิธีสวดทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ตายในงานศพแล้วก็ทาบุญนั้นเนี่ยก็มักจะทำใหญ่ครั้งเดียวแหละก็คือวันที่ตายครบ7วันโดยปกติคำว่ากงเตกนี่เป็นศัพท์ซึ่งมาจากทางพุทธศาสนา แปลว่าผลที่จะได้รับจากการทํากรรมดีของตนคําภาษาอังกฤษขอภัยภาษาสันสกฤตใช้ว่าคุณก็ขอควายสละอุนอนเนนี่แหละรวมความไปถึงคุณูปาการถึงคุณัธรรมเพราะว่าคําว่าเต็กหรือคําว่าเตอในภาษาจีนกลางนี่แหละแปลว่าคุณธรรมคนไทยเรามักจะใช้ว่าการทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ พูดที่ล่วงลับไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่ง เ, เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับกรงกรรมแต่ก็อยากจะพูดถึงก็คือคนไทยเราใช้แต่ว่าไม่ค่อยจะมั่นใจว่ามันมาจากไหนขาอนุญาตเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคำนี้เป็นภาษาจีนแต่จิ๋วแต่ทำไมถึงมาใช้ในบริบทที่ออกจะประหลาด คำนี้ก็คือขออนุญาตพูดประโยคก่อนแล้วกันว่าเออคนคนนั้นแหน่แหมเขามีกลืนนะไม่มีกลืนเนื้อเสลเลยคำว่ากลืนกลืนกนเลยงงว่าคำว่ากลืนคืออะไรคำว่ากลืนเป็นคำภาษาแตจิว๋วหมายถึงกระเพาะที่สองของสัตว์ปีกซึ่งมันมีเอาไว้สําหรับย่อยไว้สําหรับบดอาหารกลืนนี่มันเป็นลักษณะที่ ค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างที่จะเนื้อหนามีหน้าที่คอยสะสมอาหารบดย่อยอะไรประมาณอย่างนี้มี2 ส, ส่วนส่วนหนึ่งก็เก็บน้ําย่อยด้วยกลืนที่คนไทยเราเอามาใช้นี่นี่นะภาษาจีนแต้จิ๋วจริงๆแล้วก็ไม่ออกเสียงว่าลกลืนรอบบางที่ก็ออกเสียงว่าเกียงด้วยซ้ําไปซึ่งแปลว่าเส้นเอ็นนี่ลักษณะกรุบ ก, ก, กรอบๆคานี้นี่ใช้แทนคำว่ากลืนที่คนไทยใช้ กลืนประกอบด้วยคอเลสเตอรอลโปรตีนสังกะสีโซเดียมเหล็กฟอสฟอรัสแคลเซียมวิตามินเอและวิตามินอีภาษาอังกฤษใช้ว่ากริซด์อันนี้ผมก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะขออภยัยถ้าเผื่อออกเสียงไม่ค่อยจะตรงกับภาษาอังกฤษภาษาไทยเอามาใช้ในความหมายว่ามีฝีมือมีสติปัญญามีความสามารถพิเศษซึ่ง ต้องวงเล็บว่ามันซ่อนอยู่ภายในทำไมเราต้องมาพูดว่ามีกึ่นไม่มีกึ่นก็เพราะว่าคนเราเข้าใจว่ากึ่นไม่ค่อยมีในสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นสัตว์ที่มันมีกล่นจึงค่อนข้างจะพิเศษหน่อยกึ่นยังสามารถย่อยเศษกรวดเศษทรายเศษอะไรซึ่งกระเพาะของคนทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำอะไร ได้มากกว่าคนอื่นเราก็เลยเรียกว่ามีกลืนมีกึืนด้วยประการละชนี้พูดถึงกึืนก็พูดถึงอาหารอีกชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยเราออกเสียงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรู้จริงกับรู้ไม่จริงแล้วกันคนที่คนไทยบอกรู้น้อยพลอยรำคาญประมาณอย่างนั้นไอ้คนเขารู้มากก็ยากนานไปขนมชนิดหนึ่งถ้าพูดมาแล้วเนี่ย ทุกคนน่าจะนึกออกคือขนมกุยช่ายคนจีนเต่จิ๋วที่รู้ดีเขาบอกไม่ใช่ขนมกุยช่ายขนมกู่ไช่กู่ไช่กู่ไช่กู่กู่ไช่ก็แล้วแต่ไม่ใช่ชชกุยช่ายกุ๋ยไัยคําบอกกุ๋ยกุ่นี่แปลว่าผีไช่แปลว่าผักกุ๋ยไช่กุยชาย่ยชายแปลว่าผักผีคนจีนเต่จิ๋วที่ รู้ดีก็จะก็จะค่อนข้างจะจะกโกรธเวลาเราพูดว่ากินขนมกุยช่ายกุยช่ายอะไรเงี้ยเขาจะกโกรธมาก้วบอกว่ามันขนมก๋วชายกล้วยไม่ใช่ ก, กุยช่ายกล้วยเดี๋ยวแปลว่าขนมที่เอาไว้เส้นผีความจริงแล้วขนมกุยช่ายเราเรียกรวมๆ ม, มันเริ่มต้นมาจากขนมที่เป็นแป้งหอ่อไส้อาจจะใส่กุยช่ายตั้งต้นมาอย่างนั้น ถัดมาก็มีใส่เผือกบ้างใส้มันแก้วบ้างใส่อะไรบ้างแต่ก็ยังเรียกว่าขนมกุยช่ายแล้วเราก็มาดัดแปลงใส่ผสมกับแป้งนึ่งไปกุยช่ายหั่นหันหั น, หนแล้วก็ผสมกับแป้งนึ่งเป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นที่เขาขายทั่วไปนั่นแหละเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็มาตัดแบ่งแล้วเอาไปทอดหรือจะอไปนึ่งแล้วก็กินกับน้ําจิ้มก็ได้กุยช่าย คนจีนแต้จิ๋วออกเสียงที่ถูกว่ากุ้ยไฉไม่ใช่กุยช่ายอันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยไม่จำเป็นต้องไปออกเสียงให้ตรงกับเขาก็ได้เราก็แค่รู้ที่มาที่ไปจะได้พูดกันได้ถูกสื่อสารกันได้ถูกวันนี้เวลาของรายการเพลินภาษานานาสาระว่าด้วยเรื่องจีนจีนก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้กระผมพบกับรายการนี้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ